บุ๊ก <Book> 2สามทรทรํการทำความรู้จักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดับเบเดนนสบายดีไหมคะคา k กคโซิ <os> <os> คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะดอาตออรปาโดอา e ตลิอดเอวรปคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะโดอาเกติลิ ดวต่ลี้ออกจอเมริกาคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะด้วยแต่ลี้อออาซียด้วยแต่ลอออาซียคุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะโกโฮเยโฮเทลจิเวตา คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะคุณชอบที่นี่ไหมคะ วิศคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะดัลิส่ออฟเดนาอออดัลิสเตอเดนาอดมอร์มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะปุสเซตเตเตเมปุเตเตเตเ นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะเอเวย่ามวยอเย่าตอดรีซาเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะเคศวิดิเมลี i ูตร์เ e วิดิแมลีอูตรขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่างจ้ามี Имам веќе нешто испланирано. Жал ми е. Имам веќе нешто испланирано. л а к о н ка. Чао. Чао. л а к о н ка. До видување. До видување. л е п о т го нака. До наскоро. d o น่าสกปร